ขอความสุขความเจริญจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงทําจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมกำลังนำเสนอเตวิจสูตรในที่คณิกายศีลขันธวัคก็มาถึงช่วงตอนป ล, ปลายแล้วก็อยู่ในช่วงที่พระเจ้าทรงเชียบเคียง สภาพจิตของพวกพรามกับของพรหมในช่วงที่กล่าวมาแล้วนั้นก็คือเป็นการแสดงถึงพรามซึ่งไม่รู้จักพรหมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคุณสมบัติของความเป็นพรหม ในขณะที่พราหมณ์ผู้ชี้บอกทางแห่งพรมก็ไม่รู้ถึงธรรมที่ทำคนให้เป็นพรหมและสามารถจะเข้าไปอยู่ร่วมกับพระพรหมได้อย่างไรประเด็นต่อไปก็รับสั่งว่าวาเสษ็จพราหมณ์ผู้จบใจเพศเหล่านั้นยังมีเครื่องเกาะคือสตรี คือพราหมณ์เขาก็มีสองประเภทประเภทหนึ่งเรียกว่าพราหมณ์คกือบดีก็คือพราหมณ์ชาวบ้านนี่แหละแล้วก็สมณพราหมณ์แต่สมณพราหมณ์ในรายละเอียดบางพวกนี่ก็มีครอบครัวนะฮก็มีภัญญาก็มีบุตรด้วยแต่ก็บางประเภทก็ไม่มีครอบครัว เพราะว่าคำว่าพรหมจรรย์ที่แปลว่าประพฤติอย่างพรหมหรือประพฤติเสมอพรหมหรือประพฤติเหมือนพรหมในช่วงแรกๆจะเน้นไปในเรื่องการมีคู่ครองก็ตัดสินกันที่การมีคู่ครองหรือไม่มีคู่ครองว่าประพฤติพรหมจรรย์หรือไม่ประพฤติพรหมจรรย์แต่เนื้อหาสาระของการไม่มีคู่ครอง ก็คือการกำกับควบคุมจิตไม่ให้เดินไปสู่อำนาจของกิเลสคือไม่ทำอะไรไปตามอำนาจของกิเลสมีการมราคาเป็นต้นกรอกของคำว่าพรหมจันทร์ในพระพุทธศาสนาจึงขยายไปเยอะก็สรุปว่ากุศลละธรรมทั้งมวลคือพวกอริยอริยมัติทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ในปรอกปลอกของคำว่าพรหมจันทร์ เมื่อรับสั่งอย่างนั้นก็ทรงเน้นว่าเมื่อตายไปแล้วจะเข้าถึงการอยู่ร่วมกับพรหมผู้ไม่มีเครื่องเกาะคือสตรีมันไม่เป็นฐานะที่จะมีได้หมายความว่ามีความแตกต่างกันในเชิงพฤติกรรมก็คล้ายๆกับพระจะไปอยู่บ้านด้วยชาวบ้านมาอยู่วัดเนี่ย ถ้าอยู่แบบเต็นที่มันก็อยู่ไม่ได้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายแต่ถ้าไปพักชั่วครั้งชั่วคราวหรือชาวบ้านมาพักที่วัดเพื่อปฏิบัติในศีลนุบสุสดมันก็เรื่องอีกเรื่องหนึ่งในปัจจุบันก็มีการเข้าค่ายพุทธบุตรพุทธธรรม มีการปฏิบัติธรรมกันในรูปแบบต่างๆชาวบ้านก็ามาอยู่ในวัดแล้วก็อยู่อย่างพรหมจันรย์ต่างว่าพระเกิดไปพักบ้านกพ็พักอย่างพระพักอันนี้ก็เรียกว่ามันเหมือนกับพักร่วมแต่ก็ไม่ร่วมกันเกือกานสถานที่เองก็ไม่ร่วมกันการประพฤติปฏิบัติ ก, ก็ไม่ร่วมกัน เดี๋ยวก็รับสั่งว่าว่าเศษฐะพราม์ผู้จบใจเพศเหล่านั้นยังมีจิตจองเวรแต่พรมไม่มีจิตจองเวรจะมาเปรียบเทียบพราหมณ์ผู้จบผู้จบใจเพศซึ่งยังมีจิตจองเวรกับพรมผู้ไม่มีจิตจองเวรเนี่ย ได้หรือไม่บาเสฐะก็มานกก็กราบทูลว่าไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะจากนั้นก็ทรงเพิ่มประเด็นคือขยายประเด็นอคุณสมบัติของพรามที่จบในเพศมาเทียบกับพรมผู้สูงด้วยคุณธรรมว่าบาเสธะ พรามผู้จบสายเพศเหล่านั้นยังมีจิตคิดเบียดเบียนแต่พรหมไม่มีจะมาเปรียบเทียบพราหมณ์ผู้จบสายเพศซึ่งยังมีจิตเบียดเบียนกับพรหมผู้ไม่มีจิตเบียดเบียนได้หรือไม่ทั้งก็ตอบว่าไม่ได้ คือมาตรฐานอย่างหนึ่งที่น่าสังเกตในคำพีพระพุทธศาสนาหรือแม้ในเรื่องรามเกียรติมาตรวัดความถูกความผิดมันเป็นเรื่องมีหรือไม่มีคุณธรรมแสดงออกซึ่งคุณธรรมที่สรุปแล้วก็คือการ จิตที่มันเดินดาเนินอยู่ในกรอบของพรหมิหารนั่นแหละการไม่เบียดเบียนก็คือการการุณาแต่ว่าแทนที่จะพูดเรื่องการุณาก็ทร ง, ชงใช้คำมาม้เบียดเบียนเฉยๆได้รับสั่งว่าว่าเศรษาพราหุูจบใจเพศเหล่านั้นยังมีจิตเศร้าหมองแต่พรมไม่มีจิตเศร้าหมอง จะมาเปรียบเทียบกับพราหมณ์ผู้จบสายเพศซึ่งยังมีจิตเศร้าหมองกับพรหมผู้ไม่มีจิตเศร้าหมองนี่ได้หรือไม่กว่าหนึ่งจิตเศร้าหมองกว่าหนึ่งจิตไม่เศร้าหมองมันก็เปรียบเทียบกันไม่ได้เจ้าเสมอกันใกล้เคียงกันหรือคล้ายคลึงกันมันก็เทียบกันไม่ได้เพราะมันข้าซ้ายกับขวา คือหมายความว่าจิตที่เศร้าหมองนั้นเป็นอาการของสมุทัยสัตว์จิตที่ไม่เศ้าหมองก็เป็นอาการของมักสัตว์แต่ก็แสดงเป็นผลแล้วนะฮะคือปัปอยู่ในกลุ่มของนิโรธสัตว์ไปแล้วเบืงก็ห่างกันอยู่เยอะกว่าหนึ่งเป็นเหตุที่เกิดทุกข์กว่าหนึ่งเป็นเหตุที่เกิดสุขมันคนละเรื่องกันเล ประการต่อไปก็รับสั่งถามว่าว่าเศรษฐพรามผู้จบใจเพศเหล่านั้นทำจิตให้อยู่ในอำนาจไม่ได้ไม่สามารถกำกับควบคุมจิตใจของตัวเองให้อยู่ในอำนาจของตัวเองได้ทีนี้จะมาเปรียบเทียบกับพรหม ถึงเขาควบคุมจิตของตัวเองได้โดยอัตโนมัติเนี่ยมันก็จะเปรียบเทียบกันได้หรือไม่ตรงชา้ากำว่าได้หรือหรือรับสั่งถามมาได้หรือว่าเศรษฐาก็กราบทูลว่าไม่ได้พระเจ้าค่ะก็ประการต่อไปรับสั่งว่า พรามผู้จบใจเพศเหล่านั้นยังมีจิตให้เป็นไปในอำนาจไม่ได้เมื่อตายไปแล้วจะเข้าถึงการอยู่ร่วมกับพรหมผู้ทําจิตให้อยู่ในอำนาจได้ค้อนี้ก็ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้รับสั่งย้ำว่าวาสิทธะพรามผู้จบใจเพศเหล่านั้นในโลกนั้น จมลงแล้วกำลังจมอยู่ครั้นจมลงแล้วย่อมถึงการย่อยยับสำคัญว่าข้ามง่ายเพราะฉะนั้นไตรเพศนี้เรียกว่าไส่เพศที่เป็นทุ่งใหญ่คือที่ที่ไม่มีหมู่บ้านหรือป่าใหญ่ที่ที่ไม่มีน้ำ วัยเพศคือความใจยับบ้างของพราหมณ์ผู้จบวสเพศเหล่านั้นนี่คือทรงแสดงถึงความร้าเหตุผลของไตรเพศเพราะไตรเพศอย่างฤคเวศนี่มันเป็นตำนานเทพเจ้าเป็นเทพปการน้หรือค ว, ความเป็นมาของเทพเจ้าฤคเวศมันก็เป็นบทสวด แล้วก็อ า, านพระเวทมันก็เป็นเวทมนต์คาถาอย่าชุระเวทมันก็เป็นบทขับกล่อมบำรุงบำเรอเทพเจ้าทั้งหลายเป็นลักษณะาการอ้อนวอนบวงสรวงขอร้องการประสิทธิประสาทจากสิ่งสูงสุดผลตัดเทียบแล้วมันก็เหมือนกับ ป่าทุ่งที่ไม่มีป่าหรือว่าป่าที่ไม่มีน้ำมันก็มีปัญหาประสักด์ให้ให้เจอให้พบใไปเห็นกระจุประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นที่ทรงแสดงเทียบเคียงให้คิดคือไม่ได้ไปซ้ำเติมอะไรของ มานพทั้งสองคนคือทั้งวาเสตฐะและพารัทวาชะแต่พูดถึงตัวมักมักที่มานพทั้งสองเรียนมาจากปกกระสาธิพรามกับตาลุกพรามมันมีลักษณะของป่าใหญ่ที่ไม่มีน้ำเป็นลักษณะของทุ่งใหญ่ที่ไม่มีหมู่บ้าน มันไม่น่าเข้าไปไม่น่าอยู่ไม่น่าอาศัยด้วยกันทั้งนั้นแต่หลังบาสิทธะมานุก็ได้กราบทูลว่าข้าแต่พระหมหาสมณะโคดมผู้เจริญข้าพระองค์ได้ยินมาว่าพระสมณะโคดมส่งทราบผลทางเพื่อความอยู่ร่วมกับพรหม ผู้เจ้าก็รับสั่งให้คิดอีกนะครับรับสั่งว่าท่านจะสําคัญความข้อ น, นั้นเป็นเชไห น, นมณฑสาตะกะคามอยู่ในที่ไม่ไกลๆนี่เองไม่ไกลาจากที่นี้ไม่ใช่หรือท่านก็ตอบไปใช่ท่านคิดอย่างไรบุุบผู้เกิดมาที่หมู่บ้านมณฑสาตกะคามนี่แหะ แล้วก็จากมณสาสัการมไปหลายปีก็พอดีมีคนถาม ถ, ามถึงหนทางที่จะไปสู่บ้านมณสาสกการมรับสั่งถามว่าคนเหล่านั้นจะสามารถบอกขนทางที่จะไปสู่มณสาสก า, า, ารมได้ในเวลานวดเร็วหรือไม่วสาสิทธิ์มานพก็ ยอมรับว่าก็สามารถที่จะตอบได้อย่างรวดเร็วคือไม่ต้องอ้ำอึ้งอะไรถามมาก็ตอบไปเลยแล้วก็วสษฐาก็กราบทูลถามว่ากราบทูลว่านะฮะกล้าแต่ประโคดมพู้เจริญข้อไม่มีข้อนั้นเพราะเหตุไร พระบุรุษนั้นเกิดแล้วเติบโตแล้วในมณสาตกระคำก็ต้องทราบผลทางแห่งมณสาตกระคำทั้งหมดได้เป็นอย่างดีวาเสตทะพูะเจ้ารับสั่งว่าวาเสตฐะเมื่อบุรุษนั้นเกิดแล้วเติบโตแล้วในมณสาตกระคำถูกถามถึงหนทางแห่งมณสาตกราคาะคำแต่พึ่งมีความชักชาหรืออั้มอึง เมื่อตาหาคตถามถึงพรหมโลกหรือปฏิปทานยังสัตว์ได้ถึงพรหมโลกหมายความเวลาพระพุทธเจ้าถูกถามเรื่องพรหมโลกตอนนี้พูดเรื่องพรหมกันนะฮะพูดเรื่องพร่งกันไม่ได้พูดเรื่องเทวดาพูดเรื่องมนุษย์กันพูดเรื่องพรหมเมื่อตาหาคตถูกถามถึงพรหมโลกหรือปฏิปทานอย่างสัตว์ให้ถึงพรหมโลกก็ไม่มีความล่าช้าไม่มีอาการอั้มอึง เรารู้ถึงพรหมและพรหมโลกหมายความว่าทรงรู้จักตัวพรหมและสถานที่อยู่ของพรหมก็กคะทากับพระพุทธเจ้าทรงรู้จักกับสามบดีพรหมทรงรู้จักกับพระกาพรหมทรงรู้จักกับมหาพรหมอีกเป็นนันมากแล้วก็ทรงรู้ว่าพรหมแต่และองค์นะอยู่ที่พรหมโลกชั้นไหน เราก็รู้ลูกซึ้งไปจนถึงว่าเขาบํงเป็นเพียนเรื่องอะไรมาจึงมาบังเกิดในพรหมโลกชานั้นนั้นในชาญข้อไหนชาตหนึ่งชาต2สชาต3 า, ามชามีความหยาบกลางละเอียดแตกต่างกันอย่างไรจึงมีการจำแนกให้พรหมอนั้นอุบัตในพรหมโลกที่มีความแตกต่างกัน หมายความมารู้รายละเอียดของทุกเรื่องเพียงแต่ว่าถ้าไม่จาเป็นจะไม่ส่งแสดงเพราะอะไรเพราะว่าเป็นเรื่องของเขาหมายความว่าเราต้องการจะเป็นพรหมมันมันต้องไม่ได้ถามไม่ต้องไปสนใจแล้ววะคนอื่นเขาไปยังไงแต่สนใจว่าทางที่ทำคนให้บังเกิดเป็นพรหมน่ะ คือปฏิบัติอย่างไรเมื่อปฏิบัติถูกต้องเป้าหมายมันก็ถูกต้องถึงแม้เราจะรู้เรื่องราวต่างๆยกตัวอย่างว่าประวัติของคนดีทั้งหลายในโลกนี้ที่เรารู้เยอะแยะไปหมดเลยแต่เมื่อเราไม่น้อมนำมาเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติ คนดีเขาก็เป็นคนดีเราก็เป็นเราอ่ะเพราะมันอยู่ที่การปฏิบัติอย่างไรมากกว่าเรารู้ว่าเขาปฏิบัติอย่างไรอย่างประวัติวีรบุรุษหรือประวัติของคนที่ประสบความสำเร็จในสมัยโบราณเราจะเห็นว่ามันมีการยกย่องนักรบ กับยกย่องกษัตริย์ที่เป็นชาตินักลุกในการต่อมามักอาจจะยกย่องนักปราชลัดยกย่องคนที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจก็สำเร็จทางการศึกษาการวิจัยงานวิจัยในด้านต่างๆเนี่ยตรนี้มันก็มีคุณอุปการต่อโลกที่เป็นส่วนร่วม แต่ก็มีคนจำนวนน้อยเท่านั้นที่เดินตามสามารถอธิบายประวัติ ป, ตปฏิปทาของบุคคลเหล่านั้นได้โดยถูกต้องชัดเจนแต่ก็ไม่พร้อมที่จะดำเนินไปหรือประพฤติปฏิบัติตนไปตามจริยาของบุคคลเหล่านั้นคนเหล่านั้นก็เป็นแล้วแน่นอน เป็นอย่างที่เขาเป็นเพราะกขาสร้างเหตุที่ทำให้เขาเป็นแต่เราเรียนรู้ทั้งเหตุทั้งผลที่ทำให้เขาเป็นแต่เราก็ไม่ได้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติหรือแม้แต่ตัวอย่างพระอริยสาวกทั้งหลายเราเรียนพุทธประวัติเราเรียนพระประวัติพระอริยสาวกทั้งหลายมาโยอะแยะไปหมด ในแง่ของความเป็นจริงแล้วประวัติเดีนั้นก็คือสะท้อนธรรมะเป็นธรรมะที่สำเร็จแล้วหมายความมาคิดแล้วพูดแล้วทำแล้วมีผลแล้วเขาเรียกว่าปุกลาธิฐานคือสะท้อนจากพฤติกรรมาการกายวาจาใจของบุคคลเวลาแสดงธรรมะลว้ลวนๆเช่นมิฮิริ โอตระปานี่ยิริโอตปาเราอธิบายฮิริโอตรปะแต่บางกรณีเราก็ไม่พูดฮิริโอตระปเราพูดถึงคนที่เขามีฮิริโอตระปาเราไม่อธิบายเรื่องสติสมัจัญญาแต่เราก็พูดคนเรื่องคนที่มีสติสมัจัญญามันก็คือเรื่องเดียวกันพันพระสูตรเขาเรียกว่านวังกันสัตว์าุาสตร คำสอนที่มีองค์เก้าประการที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศแสดงเราจะเหได้อย่างชัดเจนว่าเรื่องเปตรตวัตถุมันก็แสดงอาการกายวาจาใจที่ทุจริตมากบางน้อยบ้างเป็นเหตุให้คนตายไปเกิดเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์ดิรกชาน เป็นสุรกายวิบากวัตถุมันก็สแสดงให้เห็นถึงคุณธรรมความดีที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของบุคคลเ่านั้นก็หมายความ ว, าว่าถึงจุดหนึ่งเราอาจจะเอาธรรมะมาพูดก่อนหรือเอาเหตุมาพูดก่อน แต่ว่าแนวชาดกแนวเปตวัตุแนววิมานวัตุแนวเทระค า, าถาเทรีคาถาพุทธวงศอะไร ต, รต่างๆคือเอาผลจากกุศลอกุศลมาพูดเสียก่อนแล้วก็ย้อนกลับไปสู่ผลที่ไปสู่เหตุนะฮะไปสู่เหตุที่ทำให้ ท่านเหล่านั้นมีฐานะอย่างนั้นอย่างนั้นก็อย่างที่บอกไว้นานมาแล้วในขณะที่เริ่มต้นทีคณิกายก็ไม่นึกว่าทีคณิกายจะกินเวลาหลายเดือนแตท่ทางที่เล่นเดียวนะฮะเล่นที่สองนี่มันค่อนข้างยากก็นึกว่าจะไปแวะในเรื่องเทระคาถาสักช่วงหนึ่ง แล้วก็ไปหาพระสูตรที่มันไม่ค่อยยากเท่าไหร่โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งก็คือคาปฏิวัค์คือธรรมะที่ทรงแสดงแก่ชาวบ้านเพราะวาหลิการสำคัญในการนำเสนอธรรมะเนี่ยมุ่งให้ประโยชน์จากการศึกษาการปฏิบัติการสัมผัสผลมันกระจาย ก็ไม่ได้เกาะกลุ่มอยู่ที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจากการสังเกต ร, รายการธรรมะของพักพวกที่ออกอากาศกันมาบางคนทั้งสิบกว่าปีแต่ว่าพอเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นมันก็มีคนอยู่กลุ่มเดียวมันไปนกระจุกอยู่ที่คนกลุ่มเดียว เรียกเรียกว่าขาไปจําแต่เหล่านี้ก็เก่งเหมือนกันคือพูดได้ทุกเรื่องไม่ว่าประเด็นที่วิทยากรยกขึ้นมาคือประเด็นอะไรก็ตามก็พูดได้ทุกเรื่องบางทีก็เห็นขัดแย้งกับวิทยากรบางทีก็สอดค้องกันบางทีก็เสริมเติมกัน นั่นก็แสดงว่าคนระดับนี้มันก็เกาะกลุ่มอยู่สำหรับรายการแต่การหนึ่งรายการหนึ่ ง, งแต่ทีนี้ถ้าหากว่าธรรมะมันมีความหลากหลายมีความลดหลั่นกันไปบางทีเรื่องค่อนข้างยากแหละแต่ว่าเราก็ย่อยลงมาให้มันง่ายขึ้น เพื่อเป็นที่สนใจรับรู้ของคนอีกกลุ่มหนึ่งถึงรายการตามปกติแล้วรายการวิทยุเราก็ไม่รู้เราไรว่าใครฟังกกี่คนก็ไม่รู้อย่างสมัยหนึ่งที่มีการตอบ ป, ปัญหาในวันจันดูไปดูมาเราเห็นว่าเออคนมันซ้ำเยอะนะแล้วก็ ไม่แค่ถามปัญหาส่วนมากมักแสดงความคิดเห็นตัวเองมันก็เป็นรายการที่ค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงว่าไม่รู้ก็แสดงความเห็นยังไงบางทีก็ไปเกี่ยวข้องกับกับคนกับกลุ่มผลประโยชน์กับเรื่องการบ้านการเมือง<ม>อะไรต่ออะไรต่างๆมันก็เราก็รับผิดชอบไมไหวเหมือนกัน ตอนดีที่สุดก็คือไม่มีรายการอย่างนี้ไม่มี เ, เลยดีกว่าทีนี้ก็มาพูดมาถึงถึงประเด็นที่พูะเจ้ารัสสังเกววสิทธะถึงเรื่องของคนที่หมู่บ้านมณฑสาตากาคาบมาความก็เกิดที่นั้นเนี่ยก็จากไปสักกี่ปีก็ได้แล้วใครมาสอบถามถึงหนทางที่จะไป หมู่บ้านม น, านัสาตะกาขามเขาก็ไม่อ้มึ่งตอบได้ทั้งฉี่ทั้งใดวันพอมาถึงพระพุทธเจ้าที่ว่าเศรษฐามนพไปกราบทูลถามเรื่องเรื่องพรหมพู้เจ้ารู้จักพรหมหรือไม่หรือทางที่จะนำผู้ปฏิบัติให้เข้าถึงความเป็นพรหมหรือไม่ก็ทรงยกตัวอย่างอุปมาว่า พระองค์ก็รู้ถึงความเป็นพรหมทำที่ทาคนในเป็นพรหมแล้วก็ตูพรหมแล้วก็พระภูมิที่พรองบัตาแล้วก็เคยเสด็จไปที่นั่นด้วยหมายความว่ามันพิสูจน์ได้ซึ่งก็ไม่เหมือนกับของพราามที่จบสต่เพศพูดไปพูดมาปรากฏว่า สืบสาวย้อนหลังไปกี่ชั่วคนก็ไม่รู้แต่ว่ายัางไม่มีคนที่เจอพรมจริงๆเลยนั้นก็แสดงว่ารู้ไม่จริงดังนั้นในหลักของพระพุทธศาสนาจึงไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องคาดเดาหรือว่าปรัมปราเป็นนิทานเล่าแบบปรัมปรามาก ก็พระเศรษฐะมาโนก็ขอให้พระองค์สงแสดงเรื่องพรหมแหะทีนี้ปุจาก็รับสั่งว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยจงใส่ใจด้วยดีจงฟังแล้วก็ใส่ใจด้วยดีเพราะอะไรเพราะว่าเป็นเรื่องความรู้ใหม่ มันไม่เหมือนกับความรู้เก่าที่วเสษฐะพระราชบาลชะเขาเรียนกันมาแล้ววเสษฐะมาโนก็กราบทูลรับพระผู้มีพภาคจาก็ตรัสว่าวเสษฐะตาถาคตอุบัติขึ้นในโลกเป็นพระอาหารหันต์สัสรูชอบโดยพระองค์เองก็ไปเรื่อยมานะครับอธิบายพระพุทธคุณก่อน เพื่อยืนยันว่าสิ่งที่ทรงแสดงต่อไปนี้มันสอดคล้องกับสิ่งที่ทรงสัสรูซึ่งเป็นการรู้เห็นตามความเป็นจริงที่มันเป็นแล้วก็แม้แต่คนที่เข้ามาบวชตามพระองค์มีการประพฤติปฏิบัติผ่านขั้นตอนมาเรื่อยๆ จยากศีลมาสมาธิคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปนาสมาธิจนถึงอัปนาฌานจนเป็นฌานแล้วก็เห็นการละนิวรณออกไปจากจิตใจคนเช่นนั้นน่บุคคลผู้นั้นน่ใครก็ได้ก็จะเกิดปราโมทขึ้น เมื่อมีปรโมดก็จะเกิดปีติเมื่อมีปีติกาย ก, ายก็จะสงบเมื่อกายสงบเนี่ยก็สบสุสเมื่อสบสุดจิตก็ตั้งมัน่นจิตก็ประกอบด้วยตาแผ่ไปในทิศที่หนึ่งสองสามสี่คือในทิศทั้งหลายก็แผ่ไปในที่ทั้งปวงตลอดโลกทั้งสิ้นเพราะแผ่ไปแล้ว โดยจิตที่ประกอบด้วยเมตตาอันไพยบูรณ์มีอารมณ์มากหาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนคือเมตตาที่ไพยบูรณ์นั้นหมายความว่าเป็นเมตตาที่สมบูรณ์จริงๆตรวจสอบลึกลงไปอย่างไรก็ไม่เจอโทษสะไม่เจอพยาบาทไม่เจอการมราคะไม่เจอความรักไม่เจอความกำหนัด พระเมตตาเนี่ยเขาอยู่ตรงกลางคือบางทีเราก็ดูไม่ค่อยออกเราอาจจะเข้าใจว่าลักษณะจิตยอย่างนี้คือจิตที่ประกอบด้วยเมตตาแต่เมตตามันมีค่าสืบใกล้ที่แยกกันออกได้ยากก็คือการมราคัดความกำหนัดด้วยอำนาจความใคร่ในคนในสัตว์ในสิ่งที่ตัวเองใคร่ แล้วก็ความรักซึ่งโน้นมเอียงไปทางเรื่องเพศและความรักในฐานหน้าที่เป็นครอบเป็นครัวเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันก็เรียกความรักอาศัยเรือนมันก็เป็นอาการของการมราคาอยู่นั่นเอง จากนั้นก็ทรงแสดงตามคำอาราธนาของท่านวสิทธะก็ทรงเรียบเรียงลงมาโดยลำดับดังกล่าวก็มาถึงช่วงที่แผ่เมตตาจิตคือผู้ที่บวชมามาลดตัวเปรียบเทียบระหว่างภิกษุกับพราหมณ์ ที่จบไซเพศว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรพิสูจน์เหล่านั้นเมื่อบวชมาแล้วก็ผ่านการฝึกปรืออบรมในเรื่องศีลสมาธิปัญญามาโดยลำดับแต่ว่าตอนนี้ก็พูดถึงระดับของสมาธินะครับเพราะว่าเป็นการพูดเรื่องของพรมโดย ปฏิบัติจนถึงขณิกะสมาธิคือสมาธิที่เป็นขณะขณะไปแล้วสมาธิเพิ่มขึ้นเรียกว่าอุปจารสมาธิจนถึงก็เป็นสมาธิที่เป็นอัปปนาพลานุภาพของจิตที่สามารถสงบกิเลส คือความอาฆาตความเบียดเบียนความริษยาปกอคติต่างๆลงไปได้ก็แร่ปรมิหานทั้งสี่ประการไปในทิศทั้งทั้งสี่ก็บางทีเนี่ยก็จะพูดทิศแค่สี่นะครับก็ไม่พูดถึงทิศท้างเหนือแล้วก็ทิศข้างล่าง หรือไม่พูดหกแต่ว่าพูดสี่ก็เรียกว่าทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเบื้องขวางแล้วก็แผ่ไปในที่ทั้งปวงโดยโลกทั้งสิ้นก็แผ่ไปทั่วด้วยจิตที่ประกอบด้วยเมตตาที่ไพบูรย์ ก็ อ, อย่างที่บอกว่าเมตตาที่ไพลบูร์นหรือกรุณาที่ไพยบูร์นหรือเบขาที่ไพลบูร์นนี่เรื่องใหญ่นะฮะเพราะว่ายกตัวอย่างการุณากรุณาที่ไพยบูร์นต้องขจัดความเบียดเบียนออกไปอย่างสิ้นเชิงและในขณะเดียวกันจิตใจก็ไม่มีโศกะคือความสุข ในกรณีที่ตัวเองไม่สามารถจะช่วยเหลือได้แล้วก็มุทิตาคือความพรอยชื่นชมยิน ด, ดีเมื่อคนอื่นเขาได้ดีมันต้องขจัดฤิ์สิยาในตัวคนที่เขาได้ดีออกไปได้ในขณะเดียวกันก็ต้องขจัดสิ่งที่เรียกว่าอุณิยะ คือการต้องการมีส่วนร่วมมีส่วนแบ่งกับคนที่เขาได้ลาบยศสันเสริญสุขและอุเบขาทาหน้าที่ขจัดความยินดียินร้ายแล้วก็ทาหน้าที่ขจัดอคติคือความลำเอียงเรื่องใหญ่พระภิกษุเนี่ย สามารถพัฒนาจิตไปได้ถึงจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดตอนกลางๆไม่ใช่จุดตอนสูงสุดเป็นการผู้กันระดับพรหมก็มีอารมณ์มากคือหมายความว่าเมตตานี่ก็หลากหลายไปรอบทิศ ท, ทางกรุณามุติตาเบขาก็ไปรอบทิศ ท, ทางไม่สามารถจะนับประมาณได้ ไปในใจไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนการผูกเวรนี่ส่วนใหญ่มันก็เกิดจากโทสะพยาบาทแต่มันก็เป็นได้ทุกอย่างไงนะความเบียดเบียนก็ผูกเวรได้ความริษยาก็ผูกเวรได้อาคาติก็ผูกเวรได้แล้วก็สมยกตัวอย่างว่าเหมือนกับ นเป่าสัางผู้มีกำลังพึงยังบุคคลให้รู้แจ้งทั้งสี่ชิดโดยไม่ยากเลยสังนี่คนเป่าเก่งๆมันเป่าดังมากนะอย่างพวกพรามที่เขาเป่าเนี่ยก็ค่อยสังธรรมดาเนี่เราเป่าไม่มีเสียงแต่ว่าเขาเป่าแล้วก็ดังมากก็แสดงว่าเป็นาศาสตร์เป็นศิลป์ที่ต้องฝึกปรือกันเป็นการใหญ่พอสมควร นคนที่มีความสามารถในการเป่าสังมันก็ให้คนรอบทิศทางได้ยินเสียงสังไม่ยากทีนี้ท่านที่ประกอบด้วยพรหมิหารทั้งสี่ประการเมื่อแผ่จิตไปเรื่อยๆเมื่อก็เป็นการแผ่ไปที่ไม่ยากเย็นอะไรประการต่อไปก็คือ จนถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันเรียกว่าเมตตาเจโตปิมุตต์หมายความว่าจิตหลุดพ้นจากกิเลสประเภทโทสะประเภทราคะประเภทโลภะได้ด้วยเมตตากรุณาเจโตวิมุตต์ก็คือจิตหลุดพ้นจากความเบียดเบียนความโศกได้ มุติตาเจโตวิมุตต์คือจิตหลุดพ้นจากด้วยอำนาจของมุติตาจะหลุดพ้นจากริษยาแล้วก็การมีส่วนแบ่งมีส่วนร่วมได้จนถึงอุเบขาเจโตวิมุตต์แต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าจิตมันเข้าถึงเมตตาเจโตวิมุตต์ได้แล้วอย่างอื่มนก็เรียบร้อยดี พระเมตตาเป็นเรื่องใหญ่อย่างที่เคยยกตัวอย่างศีลข้อที่หนิเนี่ยคือตอนปลายสุดเนี่ยมันเป็นมีจิตคิดอนุเคราะห์ต่อคนสัตว์ทั้งหลายซึ่งกหมายความว่าเป็นอาการของการุณาแต่นในตอนต้นเมื่อเข้ากระแสของธรรมะพอจิตมันประนีตขึ้นเนี่ยเข้าสู่กระแสธรรมะมันก็กลายเป็นนิริ ความลายต่อบาปอตัตตปะสะดุงกลัวต่อบาปเมตตาความปรารถนาดีต่อกันมุงต่จะเห็นคนสัตว์ทั้งหลายอยู่ร่วมกันโดยไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษรายกันแล้วก็ต้องการที่จะเห็นชีวิตแต่และชีวิตนี่อยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่ฐานะของตน กาก็ต้องการจะเห็นสัตว์ทั้งหลายหลุดพ้นจากความทุกข์สัตีิประสบความทุกข์อยู่ก็หลุดพ้นจากความทุกข์มุติตาก็ต้องการที่จะเห็นสัตว์สามารถครอบครองสมบัติหรือลาบยศสันเสริญที่ตนได้มาเนี่ยอยู่ได้อย่างยั่งยืนอเบขาก็ ปรารถนาที่จะให้คนตะหนักถึงกฎแข่งกรรมว่าคนเรามีการเป็นของของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีการเป็นกาเนิดมีการเป็นเผ่าพันธุ์มีการเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำดีก็จะได้ดีใครทำชั่วก็จะได้ชั่วแล้วจากนั้นก็ทรงแสดงไปถึงรูปชาญานะรูปชาญก็ รับสั่งว่าวาสิทธะแม้นี้ก็เป็นทางเพื่อความอยู่ร่วมกับพรหมคือหมายความมาตั้งแต่ปฐมฌานไปเนี่ยนะตั้งแต่ปฐมฌานไปจนถึงเจตุตฌานจนถึงเนวสัญญานะัสัญญายตนะก็เรียกว่ารูปฌานสี่รูปฌานสี่เนี่ยมันเป็นทางที่จะเข้าถึงพรหมคืออยู่ร่วมกับพรหมได้ ได้รับสั่งว่าก็ทรงยกเรื่องการุณาเรื่องนุทิตาเรื่องอุเบกขามาก็หมายความว่าธรรมะเหล่านี้เมื่อเกิดแล้วเนี่ยมีจิตไม่เศร้าหมองโดยอำนาจของกิเลสอย่างเช่นทรงสแสดงว่า ภิกษุมีใจประกอบด้วยกรุณาแล้วก็มุติตาเบขาไปเรื่อยนะครับก็เป็นไปเพื่อการอยู่ร่วมกับพรหมวเศรษฐะสั้นสําคัญความข้อนั้นเป็นไงภิกษุมีปกติอยู่อย่างเนี้ยมีเครื่องเกาะคือไม่มีเครื่องเกาะคือสตรีเอ่อมีเครื่องเกาะคือสตรีหรือไม่ถามมาทัศจิตมันเป็นอย่างเนี้ยมีเครื่องเกาะคือสตรีหรือไม่เจก็บอกไม่มี มีจิตวอกแวกไหมบอกว่าไม่มีมีจิตเบียดเบียนไหมบอกว่าไม่มีมีจิตเศร้าหมองหรือไม่ท่านก็บอกว่าไม่มีแล้วก็รับสั่งถามว่าถ้าสามารถทําจิตให้เป็นปลายแนวหน้าคนตนเองได้หรือไม่ท่านก็บอกว่าได้พระพุทธเจ้าค่ะจากนั้นก็รับสั่งว่าภิกษุที่ ไม่มีเครื่องเกาะคือสตรีพรามพรมนะพรมก็ไม่มีเครื่องเกาะคือสตรีก็หมายความว่าโดยการปฏิบัติของพรกสูนีสามารถที่จะไปสู่ความเป็นพรมได้เพราะว่าโดยพื้นฐานทางจิตใจนี่เป็นอย่างเดียวกันแล้วจากนั้นก็ทรงแสดงว่าพรกสูไม่มีเครื่องเกาะคือสตรีเมื่อ มนภาพแล้วถ้าเข้าถึงความอยู่ร่วงกับพรมผู้ไม่มีเครื่องเกาะคือสตรีจกเป็นฐานะชี่มีได้หรือไม่แขก็บอ ก, กว่ามีได้จากนั้นก็ทรงแสดงกลับมาชี่พร ม, มิหารอีกรอบหนึงหน่งนะแล้วก็มาสรุปว่าพิสูยังจิตให้เป็นไปแนวนาจได้นั้น เมื่อมรณะแล้วจะเข้าถึงการอยู่ร่วมกับพรหมผู้มีจิตเป็นไปในอำนาจได้ข้อนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้วาเสธามานพและผารัตธวาชามานพได้กราบทูลสัรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าธรมาที่พระองค์ทรงแสดงนั้นแจ่มแจ้งนักเหมือนกาบหายของที่คว่ำเงินบุคคลหายของที่คว่ำ เปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนที่หลงทางแล้วก็ส่องประทุชครองประทีปในที่มืดสรุปแล้วว่าสองคนนี้กขาเปลี่ยนอาจารย์หมายความว่าประกาศตนขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสนญาที่พึ่งที่ระลึกแล้วขอให้พระพุทธเจ้า ได้ทรงจำท่านทั้งสองว่าเป็นอุบาสกพูดถึงศาสนาอย่างมอบกายถวายชีวิตกันทีเดียวนี่เราจะเห็นว่ามนุษย์เราเนี่ที่จริงถ้ามีวุ ธ, ธิภาวะมากพอไอเรื่องความไม่รู้ความไม่เข้าใจความหลงความสับสนอะไรต่างๆมันก็เกิดได้ทั้งนั้น แ, ลแหละคนเราเมื่อเกิดมาจากกวิชา แต่ปัญหาใหญ่ว่ามือมันเกิดแล้วเนี่ยเราทำความเข้าใจกันได้ไหมพูดคุยกันได้ไหมแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันที่เราเรียก่าสาเสวนากันเว่อนี้เราลองสังเกตว่าสังคมไม่ค่อยใช้วิธีพูดจากกันแต่ก็มมการสายสื่อนี่โจมตีซึ่งกันและกันต้องฟังทั้งหลาย เสียงธรรมจากหมาเมตไทรศรีปทุมในวันนี้ขออยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไยบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยโทั่วกันสวัสดี